อารามของอนาถบินดิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถินั้นเวลานั้นในกรุงสาวัตถีมีของฉันคือผลไม้ดาดเดินครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตของฉันคือผลไม้หรือหนอแหลจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ